ก็มากแล้วนะครับผมว่าถ้ามืเรื่องการอ่านในนั้นทั้งหมดก็ได้เขถามทัหมดปจริงพจริงฟังทำมาจากคำเดียวก็บรนลุได้พระพุทธเจ้าแสดงทำมาจากคำเดียวกันพระเวเนศรที่โศวันตาเนี่ยผมตวจท่องได้ดีท่องได้สุเถ้าเข้าใจพระริยศาสีก็ก็จบละงาน งานทั้งหมดอยู่ที่พระอริยาาสัจสีพระพุทจ้ึงทรงแสดงพระธรรมจักรกับปัฏฐานสตรแสดงเรื่องพระอริยสัจสี่มักทุกขสมุทัยนิโรธมักทรงตรัสว่าทุกเกิดจากสมุทัยความอยากกามตัิหาภาวตันหาวิภวตันหา ดิโรดคือการดับของทุกเกิดจากมรรคมรรคก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประไปจนถึงสัมมาสมาธิมีแปดองค์ด้วยกันผู้ใดปฏิบัติมรรคได้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นก็จะมีพลังที่จะ <c oughs> ละตัณหาความอยากได้เมื่อ ล, ละตัณหาได้ก็จะไม่มีความทุกข์ภายในใจ แ่นีแะนี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาไม่อยู่เท่านี้เอง <c oughs> ส่วนธรรมะที่ทรงแสดงไว้ก็เป็นธรรมะที่เสริมให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าสู่พระอริยสัจสี่นี้ให้เข้าสู่การเจริญมรรคเพราะว่า น, นี่ก็คือหัวใจของการรักษาโรค ใจคือความทุกข์ใจยาคือธรรมโอสถก็คือมารคกปดนี่งหมอที่จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้กับคนไข้ก็จำเป็นจะต้องใช้ยาถ้ามียาถูกกับโรค ก, ก็จะรักษาโรคให้หายได้โรคของใจก็คือความทุกข์ใจความทุกข์ใจนี้ก็เกิดจาก ความอยากต่างๆเช่นเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายพัดพลาดจากกันแต่ใจไปมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพลาดจากกันใจก็เลยทุกข์ขึ้นมาถ้าใจไม่อยาก ไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดพากจากกันใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายกับการพัดพากจากกันแต่ใจหยุดความอยากนี้ไม่ได้เคยติดมาเป็นนิสัย <c oughs> มาเป็นเวลาอันยาวนาน เวลาเกิดความแก่ก็จะเกิดความอยากไม่แก่เวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเกิดความตายก็อยากจะไม่ตายเวลาเกิดการพัดพากจากกันก็ไม่อยากให้เกิดการพัดพากจากกันแต่อยากหรือไม่อยากมันก็เกิดอยู่ดีเพราะว่าอันนี้มันเป็น ปกติของของการเกิดถ้าเมื่อไรมีการเกิดเมื่อนั้นก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายมีการพลดพลาดจากกันถ้าไม่อยากจะให้มีการแก่การเจ็บการตายการพลาดพลาดจากกันก็ต้องไม่เกิดเท่านั้นเองและการที่จะไม่เกิดก็ต้องไม่อยากอยู่ดีไม่อยากหา รูปเสียงกลิ่นรสไม่อยากในกามคือกามตัณหาไม่อยากมีอยากเป็นไม่อยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้ถ้าไม่มีความอยากทั้งสามพอร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเอง เหมือนกับคนที่ไม่อยากออกจากบ้านก็ไม่ต้องมีรถยนต์รถยนต์คันเก่าเสียไปก็ไม่ต้องซ่อมมันปล่อยมันทิ้งมันไว้จอดไว้ที่โรงรถล้วก็ไม่ต้องซื้อคันใหม่มาทดแทนคันเก่าเพราะไม่ได้ออกจากบ้านไม่อยากออกจากบ้านมีความสุขอยู่กับการอยู่บ้านแต่สําหรับคนที่ไม่มีความสุขกับการอยู่บ้าน อยากจะออกไปหาความสุขนอกบ้านก็ต้องมีรถยนต์พาไปตามสถานที่ต่างๆพอรถยนต์เสียก็เอาเข้าอู่ซ่อมให้ให้หายใ ห, ให้ให้ดีแล้วก็นำเอาไปใช้ต่อพอซ่อมไม่ได้ก็ซื้อรถคันใหม่ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จะเป็นเครื่องมือตอบสนอง ความต้องการของใจเพราะใจยังมีการมตัญหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้าก็ต้องมีตาหูจมูกริ้นกายเป็นเครื่องมืออยากจะดูรูปก็ต้องมีตาอยากจะมีอยากจะฟังเสียงก็ต้องมีหูนีหูตาตาหูจมูกลิ้นกายนี่มัน อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ร่างกายร่างกายนี่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อผู้ที่ยังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะอืู่แล้วก็มีความจำเป็นต่อผู้ที่ยังอยากมีอยากเป็นอยู่อยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากมีอำนาจมีวาสนาอยากร่ำ อ, อยากรวย ก็ต้องใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือถ้าร่างกายนี้พี่กลอนพิ่การไปเป็นอามภพึกเป็นอามภพา่าก็จะยากต่อการที่จะเป็นในสิ่งที่ตนเอยอยากจะเป็นได้แล้วก็ร่างกายเมื่อมันเป็นเครื่องมือที่ตอบสนองความอยากมันก็เลยเกิดความอยากขึ้นมาอีกอันหนึ่งคือความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ ไม่อยากอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ให้ร่างกายตายไปเพราะถ้าสูญเสียร่างกายมันก็สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองอยากจะได้หรือได้มาแล้วนี่แหละคือเรื่องของความอยากที่ทำให้ต้องมีร่างกายแต่พอมีร่างกายก็ต้องมีภาระเลี้ยงดูร่างกาย การเลี้ยงดูร่างกายนี้ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งต้องหาอาหารหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคหาเครื่องนุงม่มห่มมาดูแลรักษาร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายไปก่อนเวลาอันควรเมื่อใจต้องทำงานมันก็สู้ กับเวลาไม่ทำงานไม่ได้ใครอยากจะทำงานระหว่างทำงานกับไม่ทำงานถ้าให้เลือกคนก็จะเลือกไม่ทำงานกันเช่นปีใหม่เนี่หยุดกันสี่ห้าวันมีใครจะเลือกไปทำงานบ้างถ้าทำก็ได้เงินไม่ทาก็ได้เงินที่ต้องไปทำก็เพราะว่ามันได้เงิน ถ้าไม่ทํามันไม่ได้เงินเงินมันก็เป็นเครื่องมือที่จะนําให้ตากับหูตากับรูปได้พบกันถ้ามีตาแต่ไม่มีรูปมันก็ไม่มีความสุขเหมือนขอทานเขาก็มีตาแต่เขาไม่มีรูปที่เขาอยากจะดูคนที่อยากจะดูรูปมีตาแล้วอยากจะดูรูปก็ต้องมี เครื่องมือพาตาให้ไปพบกับรูปเช่นคนอยากจะดูภาพยนตร์ถ้าไม่มีเงินซื้อซื้อตัว๋วเพอไปดูในโรงภาพยนตร์ก็เข้าไปดูไม่ได้ดังเงินก็เลยเป็นเป็นพาหะเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่จําเป็นที่จะต้องมีในการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย ต้องมีสามส่วนต้องมีตาหูจมูกนึ้วกายที่ดีถ้าไม่ดีก็ไม่ดีเช่นตาตาหนวกหูตาบอดหูหนวกอย่างนี้ก็จะไม่สามารถที่จะหาลูกเสียงกลิ่นลดได้ตาหูจมูกนิ่วกายก็ต้องดีใช้งานได้เป็นปกติลูกเสียงกลิ่นลดก็ต้องมีให้เสก แล้วก็ต้องมีเงินที่จะเชื่อมประสาน ร, ระหว่างตากับรูปหูกับเสียงกลิ่นกับรสจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสร่างกายกับผูฏฐะถึงจะเกิดความสุขขึ้นมาแต่มันก็เป็นความสุขเพียงชั่วขณะที่ได้เสพได้สัมผัสเท่านั้นพอเสพผ่านไปแล้ว ความสุขนั้นก็จางหายไปแล้วก็ทำให้เกิดอยากจะเสพขึ้นมาใหม่ก็ต้องก็ต้องไปเสพใหม่เสพใหม่ก็ต้องใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือพอเงินทองพองไปหรือใกล้จะหมดถ้าไม่ทำงานก็จะไม่มีเงินรายได้ก็ต้องไปทำงานเพื่อที่จะได้หาเงินมา เป็นเครื่องมือในการที่จะได้เสกความสุขทางตาหูจบูกเนื้นกายต่อไปมันก็ต้องดินรนหาเงินหาทองมันก็เป็นความทุกข์อีกรูปแบบห น, นึ่งนชีวิตของผู้ที่มีเศษกรรมผู้ที่มีการมตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาจึงเป็นชีวิตที่จะต้องดินรลนขวนขวาย หาสิ่งที่อยากได้มาแล้วก็หามาได้เท่าไหร่ก็จะไม่พอจะ ต, ต้องหาไปเรื่อยๆต้องเสกไปเรื่อยๆทีนี้พอเสกไปนานเข้านานเข้าเครื่องม้เครื่อ ง, ม, องมือก็ชำรุดสรุดโทรมตาหูจหมูกเล่นกายก็เริ่มชำรุดสรุดโทรมลงไปตาก็เริ่มเสื่อมหูก็เริ่มเสื่อมทีนี้จะเสก แบบที่เคยการที่ตาหูจมูกลิ้นกายดีอยู่ก็เสพไม่ได้แล้วในที่สุดก็จะไม่สามารถจะเสพได้อย่างกรณีที่ได้พูดถึงเมื่อกี้ต้องเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นจะไม่มีเวลาที่จะมาเสพลูกเสียงกลิ่นโลดโผล่ต่อพระแล้วจะวุ่นอยู่กับการรักษาตาหูจมูกลิ้นกาย ให้มันอยู่ต่อไปได้แต่รักษาอย่างไรดูแลอย่างไรในที่สุดมันก็ก็ต้องหมดสภาพไปเพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายและสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงไม่ถาวรเป็นของที่มีอายุไขมีเ ว, มเวลาของเขา มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสี่อมไปพระเจ้าทรงพิจารณาเห็นสภาพของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่ามันไม่ได้เป็นความสุขอมันเป็นความทุกข์เพราะว่ามันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ไปเสมอเวลาที่เราอยากได้อะไรแล้วเราได้อเวลานั้นก็จะเป็น เวลาที่เรามีความสุขแต่มันก็ต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งที่จะไม่ได้ดังใจอาจจะมีหลายสาเหตุสาเหตุก็คือตาดีแต่รูปไม่มีให้ดูเงินก็มีแต่ไม่รู้จะดูรูปอะไรดูซุกลูกทุกแบบแล้วดูจนเบื่อแล้วอันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งหรือ มีรูปให้ดูแต่ไม่มีเงินที่จะพาไปดูหรือมีเงินมีรูปแต่ตากบบไม่ดีก็แล้วตามองไม่เห็นตามัวตาฝ้าตาฝางอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขทางตาได้ต่อไปจึงเป็นความทุกข์นี่คือการพิจารณาของพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า ร่างกายนี้จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายแล้วถ้าอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขก็จะต้องผิดหวังในวันหนึ่งข้างหน้าเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายพระพุทธเจ้าถึงทง่งส่งพิจารณาศึกษาก็ทรงเห็นว่ายังมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออันนี้เป็นความสุขที่ได้โดยตรงจากใจคือใจนี้มีการหาความสุขได้สองทางใจหาความสุขผ่านทางร่างกายและใจหาความสุขโดยโดยไม่ต้องผ่านร่างกายคือหาความสุขด้วยใจเลยโดยตรงความสุข ที่หาด้วยใจนี้ก็เรียกว่าความสงบนี่ความสงบของใจถ้าทำใจให้สงบได้ก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายเพราะว่าใจนี้ไม่มีวันเสื่อมเหมือนร่างกาย ใจไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเหมือนกับร่างกายแล้วความสงบนี้ก็ไม่มีวันหมดเหมือนกับสิ่งต่างๆในโลกนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้ต้องมีวันหมดแต่ความสงบนี้ไม่มีวันหมดอยู่ที่ว่าใจสามารถผลิตมันขึ้นมาได้หรือไม่เท่านั้นเองถ้าใจผลิต ความสงบขึ้นมาได้ใจก็จะสามารถผลิตความสงบนี้ไปได้เรื่อยๆทุกเวลานาทีไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพใดก็ตามจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการหาความสุขทางใจคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนบนเตียงในโรงพยาบาลก็หาความสุขทางใจได้คนที่จะตายหรือตายไปแล้ว หาความสุขทางใจได้เพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วการสร้างความสุขให้กับใจก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้สิ่งต่างๆในโลกนี้ใช้ธรรมะคือความสามารถของใจเองใจต้องมีความสามารถที่จะผลิตความสุขนี้ และการที่จะผลิตความสุขนี่ก็ต้องรู้จักวิธีถ้าไม่มีใครสอนก็จะไม่รู้จักวิธีนี่ <c oughs> ก็มีพวกฤาษีทั้งหลายในสมัยก่อนที่พระเจ้าจะทรงตัดสร่พผู้ที่ออกบวชแล้วก็ปฏิบัติจิตภาวนาก็คือสมถภาวนากัน ในช่วงนั้นจะมีเพียงสมถภาวนาก็คือการทำใจให้สงบด้วยอุบายของการเจริญสติอย่างใดอย่างหนึง่งที่มีมีหลากหลายด้วยกันในพระไตรปิฎกก็ได้แสดงไว้ถึงสี่สิวิธีด้วยกันวิธีที่จะทำให้ใจสงบการที่จะทำให้ใจสงบก็ต้อง รังงับหยุดความคิดปุงแต่งความคิดปรงแต่งนี้ก็เป็นเหมือนตัวที่คอยกวนน้ำให้ขุนถ้าอยากจะให้น้ำใสให้น้ำนิ่งก็ต้องหยุดกวนน้ำพอไม่มีการไปกวนน้ำน้ำก็จะใสตะกอนก็จะตกลงน้าใสเนี้ยน้ำนิ่งก็เป็นเหมือนกับใจถ้าใจหยุดความคิดปุงแต่งได้ ใจก็จะนิ่งจะใสจะสงบจะเย็นจะสบายจะมีความสุขอย่างยิ่งนั้นหน้าที่ของผู้ที่อยากจะสร้างความสงบของใจยังอยู่ที่การหยุดความคิดปรุงแต่งจะหยุดความคิดปรุงแต่งโดยสั่งว่าต่อไปนี้จะไม่คิดเนี่ยมันก็สั่งไม่ได้พอสั่งไม่คิดปป๊บมันก็คิดต่อ อาตจ้าวหนึ่งต้องใช้สอนให้ใช้อุบายเครื่องมือที่จะหยุดความคิดฝุ่งแตกคือให้ไปคิดกับเรื่องที่ไม่ทําให้ความคิดเกิดตามมาอย่างต่อเนื่องเช่นให้คิดอยู่กับคําเดียวเช่นพุทโธพุทโธถ้าบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจได้ความคิดก็จะไม่มีตามมา แต่ถ้าไม่มีกำลังที่จะอยู่กับพุโทโธก็จะมีความคิดแทรกเข้ามาได้ถ้าปล่อยให้ความคิดแทรกเข้ามาระหว่างที่จเจริญพุโทโธพุธโทโธก็จะไม่ได้รับความสงบจะต้องอยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวไม่ให้ความคิดแทรกเข้ามาให้ได้เบื้องต้นอาจจะแทรกเข้ามาเพราะว่าตอนเริ่มต้นนี้ พุทโธยังไม่มีกำลังยังไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราพยายามบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆให้มันต่อเนื่องให้มันให้มันเป็นไปอยู่เรื่อยๆต่อไปความคิดก็จะแทรกเข้ามาน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วก็จะไม่แทรกเข้ามาหรือถ้าว่าเราไม่ ถนัดกับการที่จะอยู่กับคำบริกรรมพุทธโธใจเรายังอยากที่จะปรุงแต่งเราก็ปรุงแต่งด้วยการาสวดมนต์ก็ได้ท่องคาถาท่องพระสูตรใดก็ได้ท่องพระธรรมจักรก็ได้ท่องสติปัฏฐานสูตรก็ได้เวลาเราท่องไปท่องไปใจเราก็จะไม่สามารถที่จะไป คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อย่างพระที่บวชท่านก็มีวบายให้ท่องพระปาติโมเป็นพระวินัยเป็นศีล227ข้อของพระภิกษุถ้าท่องพระปาติโมก็กต้องก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เพราะใจจะต้องจดจ่อจะต้อง <c oughs> อคิดอยู่กับอ าวินัยแต่ละข้อตั้งแต่ปาราชีพสี่ขึ้นไปจนครบสองรอยี่สิบเจ็ดข้อถ้าท่องอย่างต่อเนื่องไม่คิดอะไรใจก็เย็นใจสบายใจก็จะมีสติที่แข็งแรงพอท่องเสร็จแล้วจะนั่งสมาธิต่อเลยก็ได้จะบริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวต่อก็ได้หรือจะดูลมหายใจต่อก็ได้ ถ้าท่องมามากแล้วเหนื่อยอยากจะหยุดท่องใจไม่อยากจะคิดล้วใจอยากจะอยู่เฉยๆอยากจะรู้ก็ให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียว <c oughs> แล้วคอยสังเกตดูไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้อยู่กับการหายใจเข้าออกของลมเหมือนกับคนที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตู เขาก็จะดูคนที่เดินเข้าคนที่เดินออกเขามีหน้าที่ดูตรงนั้นเท่านั้นเองดูว่าใครกำลังเดินเข้ามาใครกำลังเดินออกไปไม่ไปทำหน้าที่อื่นอยู่ตรงประตูนั้นเฝ้าดูคนเดินเข้าเดินออกการดูลมก็เป็นลักษณะนั้นก็ให้ดูลมเข้าดูลมออกลมมันต้องเข้าแล้วมันถึงจะออกออกแล้วมันถึงจะเข้า ก็ให้รู้อยู่แค่นี้ว่าตอนนี้กำลังเข้าหรือกำลังออกแล้วก็รู้ว่ามันหยาบหรือละเอียดหยาบ ก, ก็คือแรงเวลานั่งใหม่ๆลมจะแรงแต่นั่งไปนา น, านๆข้าจิตเริ่มสงบลมก็จะเริ่มละเอียดลงไปเบาลงไปนี่ลมละเอียดลมหยาบหายใจสั้นหรือหายใจยาว ร่างกายนี้บางเวลาเขาก็จะหายใจยาวถ้าถ้าถ้าสงบมันก็จะหายใจยาวแต่ถ้าไม่สงบตื่นเต้นตกใจมันก็จะหายใจสั้นก็ให้รู้ตามความจริงเท่านั้นเองไม่มีไม่ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ภาวนาที่จะไปควบคุม บ, คบังคับลมให้สั้นให้ยาวให้หยาบให้ละเอียด เพงแต่ใช้ลมเป็นที่ผูกใจเป็นที่ทำงานของใจเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคำว่ากรรมฐานก็คือที่ตั้งของงานนั่เกรรมแปลว่างานฐานก็คือที่ตั้งการภาวนา น, นี่ก็เป็นการทำงานคือเอาจิตมาทำงานเพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆ กรรมฐานจึงเป็นที่ตั้งของงานก็มีหลายชนิดด้วยกันกรรมฐานลมก็เป็นที่ตั้งของงานอย่างพุทโธก็เป็นที่ตั้งของงานอย่างที่ทำงานหรือเป็นงานของของใจสวดพระปฏิโมกข์หรือสวดพระสูตรสวดมนต์คาถาต่างๆอันนี้ก็เป็นงานงานที่จะทำให้ใจนิ่งใจสงบ ใจระงับจากความคิดปรุงแต่งนีง่ถ้าสามารถที่จะบังคับใจให้ทํางานเหล่านี้ได้ผลก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะต้องรวมเข้าสู่ความสงบเวลาจิตสงบก็จะเย็นจะสบายจะนิ่งจะเป็นอุเบกขาจะสักแต่ว่ารู้แต่จะไม่มีความคิดปรุงแต่งจะรู้เฉย ความคิดหยุดทำงานชั่วคราวเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ได้เสพกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขต่างๆที่ได้รับผ่านทางร่างกายถ้าไดพ้พบกับความสุขแบบนี้แล้วก็จะเกิดฉันทะเบียรคือเกิดความยินดีเกิดความพอใจ เกิดความขยันหมั่นเพียรที่จะสร้างความสุขแบบนี้ให้มีเพิ่มมากขึ้นให้มีนานขึ้นเพราะในเบื้องต้นนี้จะสงบได้ชั่วคราวเดียวเดียวเบื้องต้นท่านจะเรียกว่าคณิกะสมาธิคือสงบได้แวบเดียวขณะเดียวจิตโดมลงปับ๊บแล้วก็ถอนออกมา แต่ขณะที่ได้รวมลงนั้นมันจะเกิดความรู้สึกที่มหาจรย์ใจอย่างยิ่งเป็นความรู้สึกเหมือนกับยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการถู ก, กรอตลีรางวัลที่หนึ่งหรือได้แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีมันจะมีความรู้สึกสุขอย่างมากพอออกจากสมาธิแล้วมันก็รู้แล้วว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครความสุขที่ไม่ต้องหาเงินหาทองแทบเป็นแทบตายความสุขที่ไม่ต้องมีร่างกายที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายมาเป็นเครื่องม้เครื่องมือความสุขนี้มีได้ด้วยการมีสติมีกรรมฐานมีที่ตั้งของงานมีพุทโธมีบทสวดมนต์บทสวด มีบทสวดบทพระสูตรต่างๆสวดพระปฏิโมกข์อันนี้แหละที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสุขความสงบแล้วพอทำได้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะรู้ว่าจะทำได้ไปเรื่อยๆอยู่ที่ว่าจะมีความพยายามบากบั่นหรือไม่เพราะการจะเข้าไปในแต่ละครั้งนี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายในช่วงระยะเริ่มแรก แต่เมื่อทําเข้าไปบ่อยๆแล้วกําลังของสติจะมีเพิ่มมากขึ้นไปแล้วก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นจนต่อไปนี้จะเข้าไปได้อย่างทันทีทันใดก็เหมือนกับการทําอะไรต่างๆเช่นเวลาขับรถยนต์ครั้งแรกเวลาขับรถก็จะรู้สึกว่ามันยากเหลือเกิน มันมีอะไรจะต้องเรียนรู้มากมายไหนจะต้องเข้าเกยียร์ไหนจะต้องเหยียบคลัตช์ไหนจะต้องเหยียบคันแม่งปล่อยคันปล่อยคลัตช์เหยียบคันแม่งเหยียบเบรกไหนจะต้องจับพวงมาลัยมันรู้สึกว่ามันงานมาบ้ากเวลาขับใหม่จึงรู้สึกว่ายากแต่ลองขับไปไเรื่อยๆพอเกิดความชํานาญขึ้นมาแล้วทีนี้ก็ ไปได้อย่างรวดเร็วหรือการเรียนพิมพ์ดีก็เหมือนกันเรื่องต้นนี้ก็ต้องคอยจิ้มเท่ะนิ้วเท่านิ้วไปซ้อมไปเรื่อยๆให้เกิดความชำนิชำนาญพอชนานาญแล้วทีนี้ไม่ต้องสั่งเลยเพียงแต่เห็นตัวหนังสือก็นิ้วก็จะกดแป้นอยากจะพิมพ์ตัวไหนก็สามารถพิมพ์ได้เลยเพราะความ ช, นชนานิชานานี่เอง ไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนความยากก็อยู่ตรงที่ไม่เคยชินนั่นเองใจของเรานี้มันเคยชินอยู่กับการคิดปรุงแต่งคอยชินอยู่กับการคิดเรื่อยเปื่อยแล้วก็ชินอยู่กับการตอบสนองตัญหาที่เกิดจากความคิดต่างๆพอคิดถึงเรื่องอะไรมันก็จะเกิดความอยากกับเรื่องนั้นทันทีแล้วมันก็จะไปทาม ทำตามความอยากทีนี้พอจะมาให้มันหยุดทำอย่างนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากเย็นมากไม่ให้คิดให้คิดอยู่แต่เรื่องที่ไม่เคยคิดที่ไม่ชอบคิดเช่น ใ, ให้สวดมนอย่างนี้ให้บริกรรมพุทโธอย่างนี้มันก็จะไม่ชอบมันชอบคิดเรื่องรูปเสียงกินรสโผฏพพ เรื่องลาบยศสลรเสริญเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้พอจะให้มันมาไม่ไม่ให้คิดมันก็เกิดความอึดอัดใจขึ้นมาอันนี้แหละที่มันยากยากเพราะว่าไม่เคยทําในสิ่งที่ไม่เคยทําแล้วก็ต้องอยู่ทําในสิ่งที่เคยทํามาเหมือนกับคนที่จะต้องเปลี่ยนมือเคยถนัดมือขวา แล้วพอดีมือขวาเสียไปใช้งานไม่ได้ต้องมาใช้มือซ้ายแทนเวลาใช้ใหม่ๆก็รู้สึกว่ายากแต่ถ้าใช้ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเกิดความถนัดขึ้นมาแม้แต่คนไม่มีมือเขายังใช้เท้าแทนมือได้บางคนนี่ใช้เท้าวาดเขียนวาดภาพสวยกว่าคนใช้มือวาดเนี่ยเพราะเขาฝึก ใช้เท้าเขียนไปเรื่อยๆผู้ที่เขียนจริงๆไม่ใช่มือไม่ใช่เท้ามือเท้านี่เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองผู้ที่เขียนก็คือจิตความคิดปรุงแต่งนี่ปรุงแต่งสั่งให้มือหรือเท้าขยับไปทางไหนทางซ้ายทางขวาทางข้างบนทางข้างล่างขึ้นหรือลงอันนี้ใจเป็นผู้สั่ง ใหม่ๆเวลาใช้เครื่องมือที่ไม่เคยใช้มันก็จะใช้ไม่ได้คล่องแคล่วว่องไวแต่พอใช้ไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆต่อไปก็เกิดความชานาญขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องของการทำใจให้สงบก็เป็นแบบเดียวกันใจไม่เคยไม่เคยทำความสงบกันชอบทำแต่ความคิดปรุงแต่งกัน พอให้มาหยุดความคิดปรุงแต่งมันก็เลยรู้สึกว่ายากถ้าเป็นภาษาวิศวะก็คือมันมีโ o เ e n t i a มันมีโมเมนตัมของมันอยู่เราจะหยุดโมเมนตัมนี้มันจะทำยังไงก็ต้องฝืนต้องดันมันเราต้องมีพลังที่เท่ากับโมเมนตัมถึงจะหยุดมันได้ถ้าพลัง จะหยุดมันอ่อนกว่ามันก็ยังผลักดันไปตามฐานของมันอยู่นี่ในะเบื้องต้นสติของเรานี่มันอ่อนกว่าพลังของความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งมันก็เลยยังฉุดลากให้ไปคิดได้ทั้งๆ ท, ที่นั่งสมาธิอยู่ตรงนี้แหละพุโทโธอยู่ตรงนี้แหละพุโทโธไปคำสองคามันก็ไปแล้วมันมีกําลังมากกว่า <c oughs> มันจะดึงไปเรื่อยๆ เราก็ต้องพยายามฝืนเหมือนพยายามสร้างพลังของสติด้วยการที่เจริญสติทั้งวันเลยอย่ามาเจริญสติเฉพาะเวลานั่งเท่านั้นเพราะจะไม่มีกําลังพอนั่งไปแล้วจะไม่เกิดผลพอไม่เกิดผลก็จะไม่มีความอยากจะนั่งนั่งไปแล้วไม่ได้อะไรแล้วบางทีก็มีคนสอนว่าไม่ต้องนั่งหรอก ไปปรุงแต่งเลยปรุงแต่งไปทางปัญญาเลยฆ่ากิเลสเลยละปัญหาด้วยปัญญาเลยแต่ก็เป็นปัญญาแบบแบบสัญญาคือเวลาไม่เจอกิเลสก็จำได้เวลาเจอกิเลสก็ลืมลยเวลาพิจารณาว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาก็พิจารณาได้แต่พอไปเจอเจอกิเลสเข้า ดืมไปหมดเลยเช่นพิจารณาว่าราบยศชำรเสริญเป็นอนิจจังทุกขังนาตาพอมีคนเอาราบยศชำระเสริญมามาล่อใจหน่อย่ะไปเลยใครมาเสนอเงินทองให้ก้อนหนึ่งให้ไปทํานู่นทํานี่หน่อยก็ไปเลยใครมาเสนอตําแหน่งให้ก็ไปเลยแต่ถ้าจะเป็นปัญญาที่จะหยุดกิเลสได้นี้ต้องเป็นปัญญาที่ มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนเพราะเวลาใจมีสมาธินี่มันมีความสุขอยู่แล้วมันพออยู่แล้วมันรู้ว่าไม่มีอะไรจะสุขจะดีเท่ากับความสุขที่ได้จากสมาธิดังเวลาใครจะเอาอะไรมาล่อเอาเงินทองเอาอะไรมาล่อมันไม่ไปเพราะมันพิจารณาด้วยปัญญาแล้วว่ามันเป็นของชั่วคราวได้บาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไป ขึ้นขี่หลังเสือเวลาลงจากหลังเสือก็จะถูกเสือกัดเวลาได้ตำแหน่งก็ดีอกดีใจแต่เวลาพ้นจากตำแหน่งมันก็เจ้าสอยห้อยเหงาเวลามีตำแหน่งก็มีหน้ามีตามีบริษัทมีบริวารพอเวลาพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ไม่มีใครเข้าเหลียวเลย ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาและมีสมาธิสนับสนุนมันก็ไม่เอาดีกว่าอยู่อย่างนี้ดีกว่าดัางนั้นก่อนที่จะใช้ปัญญาก่อนที่จะใช้ความคิดทำลายตันหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้ยิงต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนก่อนถ้ามีสมาธิแล้วทีนี้ก็จะไม่อยากได้อะไรอย่างจริงจัง พอพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวเวลาหมดไปเนี่ยมันเป็นเวลาเศร้าเวลาทุกข์ถ้าไม่อยากเศร้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปเอามันดีกว่าอยู่แบบไม่มีอย่างนี้ดีอยู่แล้วสบายอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วไปหาเหามาใส่หัวทาไมคนที่มีสมาธิจะไม่ค่อยหิวกับลาบยศจละเสริญจะไม่หิวกับอะไรต่าง แต่มันยังมีความอยากอยู่เพราะว่ามันยังไม่ได้ถูกกาจัดด้วยปัญญาเท่านั้นเองถ้าไม่มีปัญญาก็อาจจะถูกความอยากหลอกไปได้ถ้าไม่ระมัดระวังเช่นคนที่มีมีอิทธิฤทธิปาฏิหารมีความสามารถพิเศษก็ จ, จะเป็นเหยื่อของตัณหาได้ เวลามีโอกาสที่จะได้ราบยศจารเสริญด้วยการใช้อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของตนก็อาจจะจะไปติดกับกับปัญหาความอยากได้นี่ก็เป็นเพราะว่าอิทธิฤทธิปาฏิหารินี้มันมันไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิมันไม่ได้เป็นสมาธิที่ทําให้ใจมีความอิ่มมีความพอมีความสุข มันต้องเป็นสัมมาสมาธิคือจิตต้องเป็นอปปน า, เ ป, น เ, าเป็นอ่าเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้อยู่กับความว่างสงบมีความอิ่มมีความพอถ้ามีสมาธิแบบนี้แล้วจะไม่หิวกับอารมณ์ต่างๆแต่มันเวลาออกจากสมาธิมาความ อิ่มมันก็จะค่อยๆจางหายไปแล้วความอยากความหิวก็จะตามมาได้แต่ถ้ามีปัญญามาคอยเตือนเวลาเกิดความอยากว่าอย่าไปอยากอยากแล้วจะทุกข์ก็จะหยุดได้เพราะยังมีความอิ่มความพอที่ประครับประคองอยู่ในใจอยู่ช่วยคอยคอยคอยดึงใจไว้ไม่ให้ไปติดกับความอยาก ดงั้นการที่เราจะใช้ปัญญาเพื่อทำลายกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกนี้เราต้องทำใจให้สงบก่อนแล้วการที่จะทำใจให้สงบก็ต้องมีสติก่อนสติเป็นต้นสมาธิเป็นปลายคือสติเป็นเหตุของสมาธิแล้วสมาธิก็จะเป็นผู้สนับสนุนปัญญา ในการที่จะต่อสู้กับปัญหาความอยากต่างๆถ้าปัญญาไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนปัญญาก็จะไม่มีกำลังพอที่จะละปัญหาความอยากได้เปัญญาเนี่ยมีอยู่สามระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งที่สองเราเรียกว่าสุตตะมยปัญญากับจินตามายปัญญา สุตะ ก, ก็คือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังอย่างในขณะนี้เรากำลังได้ยินได้ฟังเรื่องของปัญญาเรื่องของการดับกิเลสแต่เรายังไม่สามารถดับกิเลสได้ละตัณหาได้เพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นภาวนาไมายปัญญาไม่ได้เป็นปัญญาขั้นที่สามชนิดที่สาม ชนิดที่หนึ่งที่สองนี่เป็นปัญญาแต่ไม่มีความไม่มีน้ำหนักที่พอที่จะไปสู้กับตัญหาได้รู้ว่าตัญหาเป็นต้นเหตุของความทุกข์รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้เป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนาัตตาแต่ก็ยังหยุดตัญหาไม่ได้กินตามย์ปัญญาก็แบบเดียวกับสูตระมยปัญญาคือ หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเรานําเอาไปใค่อวๆพิจารณาต่อเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ดื้ออันนี้เรียกว่าจินตามายปัญญาก็คอยเตือนว่าอย่าไปติดกับการตันหาแต่พอมีตันหาเกิดขึ้นก็สู้มันไม่ได้เพราะยังไม่มีภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาก็คือต้องมีสมถาักภาวนาเป็นผู้สนับสนุนปัญญานี่เอ พอถ้าเรามีสมรรถภาวนาจิตรวมเข้าสู่สมาธิได้แล้วเวลาออกจากสมาธิมาเวลาเกิดความอยากแล้วเรามีปัญญาเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่อยากได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะหยุดได้ ท, ทันทีแต่ถ้าออกจากสมาธิมาแล้วไม่มีปัญญามาบอกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายังถูก โมหะความหลงหลอกว่าเป็นสุขขังอัตตาเป็นนิจังอยู่ก้อยเอี่ยมที่จะหยุดตัณหาไม่ได้เช่นเดียวกันนี่ก็คือกรณีของผู้ที่ไม่มีปัญญามีแต่สมาธิซึ่งมีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดสัตว์มีเพื่อฤาษีชีภัยทั้งหลายนักบวชทั้งหลายก็ได้สมาธิได้ฌานได้อัปปนาการแต่ไม่มีปัญญา ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เห็นอริยสัจสี่แต่พอพระพุทธเจ้ามาตัดเจรอริยสัจสี่มาตัดเจริวอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมาสั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีสมาธิแล้วพอได้ยินได้ฟังเขาก็ตัดตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้เช่นวิภวะตัณหานี่ก็ตัดได้อย่างง่ายดายคือความกลัวความแก่ความเจ็บความตาย ความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเป็นเป็นวิภาวะตัณหาเป็นต้นเหตุของความทุกข์แต่พอมีพระเจ้ามาตัดว่าอย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความแก่ความเจ็บความตายนี้ไม่เป็นภยัยไม่เป็นอ <him> ันตรายสส ians, สสต่อใจสิสส่งที่เป็นภัยเป็นอันตรายต่อใจคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย พอเขาพิจารณาก็เห็นเป็นอย่างนั้นเวลาเกิดความอยากไม่แก่ใจก็ร้อนขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาอยากไม่เจ็บใจก็ทุกข์ขึ้นมาหมอยังไม่ทันฉีดยาเลยบอกจะฉีดยาให้ท่านั้นก็ทุกข์ขึ้นมาก่อนแล้วเพราะไม่อยากจะเจ็บแต่ถ้ายอมเจ็บมันก็จะไม่ทุกข์ใจเจ็บก็ฉีดก็ฉีดมันก็เจ็บที่ร่างกายใจไม่ได้เป็นผู้ถูกฉีดร่างกายเป็นผู้ถูกฉีด จะไปกลัวมันทำไมก็ปล่อยมันเจ็บไปนี่คือปัญญาที่จะมาตัดปัญหาละดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดจะรู้ก็จะไม่มีใครรู้ความจริงอันนี้ก็จะรู้จากวิธีดับทุกข์ด้วยการเข้าไปในสมาธิเทนั้นเวลาเข้าไปในสมาธิหยุดความคิดปรุงแต่งปัญหาความอยากก็หยุดทางานชั่วคราว แต่พอออกจากสมาธิมาพอมีความคิดปรุงแต่งก็จะเกิดตัณหาขึ้นมาเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมาก็จะเกิดความไม่สบายใจเวลาร่างกายไม่สบายใจก็วิตกกังวลแล้วว่าจะหายหรือไม่จะตายหรือเปล่าแต่ถ้ามีปัญญามาสอนว่าร่างกายนี้มันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและไม่มีใครห้ามมันได้ มันไม่เป็นความทุกข์ความทุกข์อยู่ที่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เองเราอย่าไปอยากมันเฉยๆทําใจเฉยๆแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายมันก็จะไม่ทุกข์ใจ <c oughs> <c oughs> นี่แหละคือการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นด้วยปัญญาแต่ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนการจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อน การจะมีสติก็ต้องมีเวลาเจริญสติถ้ายัางต้องทํามาหากินยังต้องเกี่ยวกับการทํางานทําการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองอยู่การเจริญสตินี้ก็จะทำได้ทาได้ยากหรือทาไม่ได้เลยการเจริญสตินี้จะต้องอยู่คนเดียวอยู่ในที่ห่างไกลาจากสิ่งรบกวนใจทั้งหลา ย, ยาเช่นอยู่ตามป่าตามเขา ก็ต้องเป็นนั่งบวชก็ต้องสละความสุขทางลาบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายแล้วก็ออกบวชไปอยู่ตามป่าตามเขาเพื่อจะได้มีเวลาเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหับแล้วมีเวลาสะดวกเวลาไหนที่จะนั่งก็นั่งได้ถ้าสติกำลังดีมีกำลังมากนั่งปับ๊บมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้ พอมีความสงบมากมีกำลังมากออกจากสมาธิมาก็สามารถใช้ปัญญาเอามาประสานกับสมาธินี้ไปทำลายตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้นี้มันไม่มันไม่ใช่เป็นสุขมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันสุขเดียวเดียว เวลามีก็สุขเวลาสูญเสียไปก็จะทุกข์สู้อย่าไปมีดีกว่าอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ดีที่สุดในที่สุดมันก็จะยอมรับความจริงอันนี้ว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับความสุขนัตติสันติประลังสุขขังมันก็จะเป็นคำตอบสุดท้ายไม่มีความสุขันใดที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบ มันก็จะได้นิ บ, บานังปลมังสุขขังขึ้นมาทันทีนิพพานก็คือการสิ้นสุดของความอยากนี่เองใจที่ไม่มีความอยากก็คือนิพพานพอไม่มีความอยากมันก็มีแต่ความสุขประมังสุขขังมันสุข ouais. กับอะไรสุขกับความว่างนี่เอง <Okay. S 1> ความไม่มีอะไรนิบานังปลมังสุขอย่างความสุขที่แท้จริงก็ ammo. คือความว่าง เพราะความว่างไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดแต่สิ่งอื่นนี่มีวันเสื่อมมีวันหมดแต่ความว่างนี้ไม่มีวันหมดเราไปอยู่คนเดียวเลยมันไม่มีวันหมดความว่างมันจะว่างผมไปเรื่อยๆแต่ถ้าไปมีความสุขกับรากยศสรรเสริญเดี๋ยวมันต้องหมดเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปใช้มันก็หมดเงินนี่เอามาใช้ดูเลมันดูมันจะหมดเลย ถ้าใช้อย่างเดียวไม่หามาเพิ่มเนี่ยมันต้องหมดแน่ๆ <c oughs> ยันเรามาอยู่ก็หาความสุขกับความว่างดีกว่าหาความสุขกับความสงบความไม่คิดปรุงแต่งนี่แหละก็คือความว่างพอใจไม่คิดปรุงแต่งใจก็ว่างเหมือนกระดานดำถ้าเราไม่เขียนอะไรไว้บนกระดานดำกระดานดำมันก็ว่างแต่พอเราเขียนมันก็มีรอยขีดเขียนเต็มกระดานไป ห, หมดเราต้องลบรอยขีดเขียนเอาไปให้หมด เราใช้สติเนี่ยเป็นตัวลบเมื่อลบเสร็จแล้วเวลามันจะเขียนใหม่ก็ใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไปเขียนเขียนแล้วมันจะมันจะทุกข์มันไม่สุขมันไม่ว่างรักษาความว่างไว้รักษาความไม่อยากไว้ไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีอะไรให้อยู่กับกว้างว่างไปนี่แหละคือปัญญาที่จะทําให้ใจ ว่างได้ทำให้ใจสุขอย่างเท้าอ่อนได้ก็คิดว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงท่านี้ขออนโมธนาให้พอรอย่าท้าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขาังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโต สัพเพปเรนตุสังกป่าจันโทปนระโสยทามนิโชติระโสยทาสพพีติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวทวันตาลาโยสุขีทีขายุโกภวะอะพิวาธนศีลิะนิจังวุธาปะจายโน จตารูธรมาวัทานติอายุวโนสุขางภาลังอาจารย์ครับถ้าไม่บวชนี่เราไปหาที่เวีที่สัายะเราปฏิธรรมนี่มันจะยากกว่าบวชแค่หเหมือนกันน่ะเห็นว่าบวชบวชบวมันง่ายตรงที่ว่าไม่ต้องมากังวลเรื่องปัจจัยสี่ปัจจัยสี่มันมีพร้อม ถ้าเป็นค า, าราวาต้องหาเองหาเียกครับก็นั่นแหละมันมันก็มีเวลาหายได้หมดได้หรือมันต้องยังต้องมาก็ได้แะแต่แต่คิดว่าบวชมันจะมันดีกว่าหลายข้อเมื่อก่อนเราก็คิดอย่างนี้เหมือนกันตอนที่เป็นค า, าราวาตปฏิบัติอยู่ตามลาพังเราก็ไม่อยากจะบวช เพราะกิเลสมันยังอยากจะมีความเป็นอิสระเวลาบวชนี้เหมือนถูกจับไปติดคุกต้องไปอยู่ในวัดแล้วก็ต้องมีหัวหน้าคุกมาคอยสั่งคอยควบคุมแต่หัวหน้าคุกนี้เป็นหัวหน้าคุกที่ดีเพราะคอยคุมให้เราอาเข้าสู่ความสงบ แต่กิเลสของเรานี้มันยังไม่ชอบให้ใครมาควบคุมบังคับมันก็ยังไม่อยากจะบวชแต่ถ้าอยู่คนเดียวมันก็จะไม่มีสังคมคือไม่มีไม่มีอาจารย์ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์ไม่มีหมู่คณะมีเพื่อนปฏิบัติไม่มีตัวอย่างที่ดีให้เราได้เรียนรู้เราอยู่คนเดียวนี่เราจะหลอกตัวเราเองว่าเราปฏิบัติมากปฏิบัติดี แต่พอเราไปอยู่กับผู้อื่นเห็นเขาปฏิบัติมากกว่าเราเราถึงจะรู้ว่าเราปฏิบัติได้แค่นิดเดียวดังนั้นก็ถ้าไม่มีจ ะ, จะว่ า, จะ ว, าจะว่าต้องบวชเลยก็ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นบางคนไม่บวชก็ได้บรรลุได้เหมือนกันอยู่ที่ตัวเองว่าตัวเองสามารถผลิตมากคแปดขึ้นมาให้ครบบริบูรณ์ได้หรือเปล่าท่านเอง แต่การไปอยู่กับผู้อื่นที่มีมรรคแปดแล้วนี่มันมันง่ายกว่ามีคนคอยเสริมคอยบอกว่าของคุณกําลังขาดสิ่งนี้อยู่สิ่งนี้มีมากเกินไปแล้วคุณบางทีก็ไปติดสมาธิเราไม่รู้ตัวถ้นมีครูบาอาจารย์นั่นก็จะกระทุ้งออกมาว่าออกจากออกจากสมาธิดได้แล้วมาเจริญปัญญาได้แล้วบางคนเจริญปัญญามากเกินไปก็ถูกกระทุ้งอีกถุกถูกดึงไว้อีกว่ากําลังทุ้งซ่านนะ กามังจะเป็นวิปัสสนาูไปแล้วดังนั้นถ้าไม่ไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ที่ผ่านผู้มีประสบะการณ์ผู้ที่ได้บรรลุแล้วเนี่ยมันมันจะไปช้ากว่าและอาจจะหลงทางได้แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์แล้วเราเรายอมรับคาสอนของท่านยอมรับว่าท่านรู้มากกว่าเราเราก็จะ มีโอกาสที่จะได้สำเร็จงานเราได้ง่ายกว่าการที่เราจะต้องไปํำทางหาของเราตามลำพังผมมาใหม่นะไม่เคยทราบว่าที่ที่วัดยาเนี่นะครับที่นี่นะฮะ มีสถานที่ไว้รองรับการมาปฏิบัติธรรมแบบที่คนรู้ว่ามหัสมถว่ายังไม่บวชแต่ว่าขอมาปฏิบัติธรรมเหมือนมาเตรียมตัวอะไรทนองนี้นครับที่วัดยานเขาก็มีที่พักอยู่ได้แต่เขาให้อยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันต่อหนึ่งครั้งแล้วเขาก็ยังไม่ได้เน้นไปในทางภาวนาก็จะเป็นวัดแบบที่ ให้ลงโบสเช้าเย็นไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิประมาณสักสามสิบนาทีนอกจากนั้นก็ให้อยู่ตามอยู่ที่พักปฏิบัติไปตามลำพังที่พักก็จะเป็นเป็นที่ที่ยังไม่สงบสงัดวิเวกเหมือนกับวัดป่าวัดเขาอะไรอย่างนี้แต่ก็สำหรับผู้เริ่มต้นก็อาจจะพอใช้ได้ ถ้าเมื่อปฏิบัติจเจริญก้าวหน้าขึ้นไปแล้วความสงบมีมากขึ้นภายในใจแล้วก็อยากจะหาที่สงบสงัดมากกว่าที่มีอยู่ก็อาจจะต้องหาที่ใหม่ไปอยู่ตามวัดป่าวัดเถาแล้วตามทางภาคอีสานา น, านี้จะเป็นที่สงบสงัดมากกว่ามีที่ไหนไหมฮะที่พระอาจารย์คิดว่า น่าจะเข้าเกณฑ์แบบที่พระอาจารย์แนะนาก็อาตมาก็ศึกษาอยู่ที่วัดป่ามั่นตาดนะมาก่อนก็ลองไปที่นั่นดูก็ได้แต่ตอนนี้ไม่มีพระอาจารย์อยู่แล้วหลวงตาท่านมาหน้าพไปแล้วก็ลองศึกษากับท่านผู้รู้ต่างๆดูว่ามีวัดไหนบ้างอาตมาก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนเป็นเวลานานก็ยา ไม่รู้แต่ขอให้เป็นวัดสายของสายปฏิบัติที่เป็นสายของหลวงปู่มั่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันสานที่ปฏิบัติจะสงบสงัดวิเวกจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ว่าท่านมีคุณธรรมมากน้อยเพียงไรถ้าท่านมีคุณธรรมมากท่านก็จะรักษาสถานที่ปฏิบัติให้สงบสงัดวิเวกมาก ถ้ามีคุณธรรมน้อยก็อาจจะมีเรื่องอย่างอื่นเข้ามาแทรกได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆเข้ามาแทรกได้อันนี้ผู้ที่จะปฏิบัติก็ต้องไปศึกษาไปสารวจดูเอาว่าวันไหนเหมาะสมกับการปฏิบัติของเราเพราะว่าการปฏิบัตินี้มันต้องมี ปัจจัยหลายประการที่เรียกว่าสัพพายะคือถูกกับเราสถานที่สัพพายะอาหารสัพพายะอากาศสัพพายะบุคคลสัพพายะนี่มันมีหลายปัจจัยด้วยกั น, mm. นองอย่างาอบุคคลสัพพายะบุคคลสําคัญที่สุดก็คือผู้นําผู้สอน ว่าท่านสอนในแนวเดียวกับที่เราบำเพ็ญหรือเปล่าหรือในแนวเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือเปล่าอาหารก็เราถูกกับอาหารหรือเปล่าแต่อาหารนี้ถ้ามันถ้ามันจําเป็นจะต้องปรับก็มันก็ปรับได้แต่คุบบุคสิ่งที่ปัจจัยสําคัญที่สุดก็คือบุคคลอาจารย์นี่ ถ้ามีอาจารย์แล้วท่านกินอาหารแขกเราก็ต้องกินกับท่านท่านกินอาหารจีนเราก็กินกับท่านอาจารย์อย่าง พ, าพระพ่หลังเนี่ยอุตส่าห์เดินทางมาจากต่างประเทศไปอยู่กับหลวงปู่ชาหลวงปู่ลวงตามหมาบัวเขากิกนข้าวเหนียวกินอะไรต่างๆเขาก็กินได้เขาก็ไม่อยากจะกินอ่ะแต่เขาก็ ไม่มีทางเลือกเพราะก็ต้องการอาจารย์ อ, อ, อากาศก็อาจจะลำบากเช่นไปอยู่ทางภาคอีสานหน้าร้อนก็ร้อนสุดๆหน้าหนาวก็หนาวสุดๆแต่มันก็เป็นเครื่องทดสอบเราไปในตัวด้วยถ้าใจเรามีธรรมะเรวเรื่องราวแบบนี้จะไม่ค่อยจะเป็นปัญหาเท่าไหร่ แต่เบื้องต้นเ ร, เรายังไม่มีธรรมะเราอาจจะต้องหาอะไรที่มันสับปายะกับเราไปก่อนเพื่อที่จะให้เราได้ผลิตธรรมะขึ้นมาภายในใจพอเราเริ่มมีธรรมมีพลังมากขึ้นแล้วทีนี้เราก็จะไปในที่ที่ไม่สัปปายะได้ขอให้เราได้บุคคลสัปายะเป็นเป็นเป็นปัจจัยที่สำคัญคาาา ร, รคูบาอาจารย์ทุกรูปเนี่ยท่านต้องมีครูบาอาจารย์เทนั้นน่ย มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวแม้แต่พระเจ้าในเบื้องต้นก็ต้องมีอาจารย์พระเจ้าก็ไปศึกษากับพระอาจารย์อยู่สองลูปด้วยกันที่สอนวิธีนั่งสมาธิธใช่แต่ว่าท่านไม่มีความสามารถที่จะสอนระดับวิปัสสนาระดับปัญญาได้ตอนนั้นก็เลยต้องหาค้นค้าหาความจริงด้วยพระองค์เอง หลังจากนั้นมาภาษาวกทุกรูปเนี่ยต้องมีพระอาจารย์ทางนั้นนต้องฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงได้บรรลุธรรมกันแล้วหลังจากนั้นท่านก็เป็นอาจารย์สอนผู้อื่นต่อไปถ่ายทอดกันมาเป็นช่วงๆไม่มีใครไม่มีมนุษย์อย่างพวกเราที่จะสามารถ เ, เรียนรู้ได้ด้วยตนเองปฏิบัติด้วยได้ด้วยตนเองแล้วหลุดพ้นได้ด้วยตนเองนี้ไม่มีรับรองได้ ถ้ามีก็เป็นพระปฏิจเกะเป็นพระพุทธเจ้าไปซึ่งมันมันหายากยิ่งกว่ า, เ, าเข็มในทะเลด <c oughs> ังนั้นถ้าเราอยากจะมาทางนี้เราต้องลดอัตราตัวตนลดมานะทิฏฐิยอมรับเถิดว่าเราเราไม่เก่งพอที่จะเป็นอาจารย์ของเราเองเราต้องเข้าหาอาจารย์นี่เดียว่ะขอให้หาอาจารย์ที่ สอนถูกทางแล้วก็ถูกจริตกับเราบางองค์สอนถูกทางแต่อาจจะไม่ถูกจริตกับเราก็ได้อุบายการทําจิตให้สงบนี้อาจจะไม่เหมือนกันบางองค์ท่านก็ถนัดเรื่องการอดอาหารท่านก็จะเน้นเรื่องการอดอาหารบางองค์ท่านก็ถนัดเรื่องการไม่หลับไม่นอนเนสัชิกบางองค์ท่านก็ถนัดเรื่องการอยู่ป่าช้าบางองค์ท่านก็ถนัดอยู่ ในป่าเข า, า, เ, ขาเอ อ, เ อ, อใช่มันแต่ละองค์ท่านมีมีเจริตไม่เหมือนกันแต่ทางทางเดียวกันแต่เครื่องไม้เครื่องมือ<ช>ที่จะพาไปนี้ไม่เหมือนกันเังน้นบางทีเราก็ต้องหาอาจารย์ที่ถูกกับเราแล้วเราก็จะมี มีผู้นําทางการมีผู้นําทางนี่มันง่ายกว่าไปเองหาทางเองอย่างมาที่นี่ถ้าไม่มีคนนํามาเนี่ยบางคนบวชหาต้องนานบังขับรถวนไปเวียนมาอยู่เนี่ยนะแต่คนที่มีคนนํามาเนี่สบายไม่ต้องทําอะไรนั่ ง, งอา่อาอ่าใช่หรือถ้าขับรถก็ขับตามเข้ามาเท่านีเ้เขาเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวา อันนี้การมีครูบาอาจารย์ น, นีเป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่มีจริงๆก็ต้องอาศัยะ้ า, าจารย์ในหนังสือเช่นพระไตรปิฎกอย่างผ้ า, าจารย์มั่นี่ท่านก็ไม่มีอาจารย์มีผ้ า, าจาย์เสาแต่ท่านก็เวลาท่านไปบำเพ็ญท่านก็บำเพ็ญคนเดียวอาศัยธรรมะที่ท่านได้ศึกษาจากพระธรรมพระ พระไตรปิดกมาเ ป, เป็นพื้นฐานแล้วก็มีพระอาจารย์สาวอาจจะให้คำแนะนาเกิดต่างๆไรแต่ตเวลาปฏิบัติบางทีก็ต้องใช้ปัญญาของตนเองที่ประยุกต์ที่จะประยุกต์วิชาความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาให้มาสู่ให้เข้ากับการปฏิบัติของเราอีกที ก็ยังนั่งอยู่อย่างนี้คุยกันได้ก็น่าจะดีอยู่ครับตานี่าได้ดีอยู่ไม่เกิดปัญหาเลยถ้ามีอะไรก็จะจะติดต่อไปขออนุโมทนามีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตก็ จะมีคนเข้าไปเขียนถามใน facebook แล้วคุณนี้เขาเป็นคนดูแลหน้า f เฟซบุ๊กก็จะมาถามตอนนี้เดี๋ยก็จะตอบเดี๋ยวฟังปัญหา อ, อ, อก่อนคำถามอินเทอร์เน็ตครับคำถามต่อเ น, นื่องจากอาทิตย์ก่อนครับอาจารย์ที่โดนขับรถแล้วโดนแฟงคิวอย่เงี้ยครับถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาแต่เมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาบ่อยๆเข้า<อ>เนี่ยทุกเรื่อง กลายเป็นตอนหลังเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้การพิจารณากลายเป็นมันตัดเองเลยโดยที่เราไม่ใส่ใจเลยอย่างี้ครับอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับอาจารย์ก็มันเป็นนิสัยไปแล้วไงมันมันปงแล้วมันตัดไปแล้วมันไม่มันรู้ว่าไปวุ่นวายกับมันเสียเวลาเปล่าๆสูปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเรื่องของมันดีกว่าตอนต้นเราก็มักจะชอบไปจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ จัดการแล้วก็ใจก็วุ่นขึ้นมาเมื่อไม่ได้ดังใจแต่พอพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลว่า เ, ออเขาจะทำอะไรก็เราก็ห้ามเขาไม่ได้คิดว่าทาบุญทำทานให้เขาไปดีกว่าต่อไปมันก็จะติดเป็นนิสัยไปมันก็จะไม่อยากจะไปยุ่งอะไรกับใครใครอยากจะทำอะไรก็ทำไปอย่างตอนนี้คนอยากจะไปเดินขบวนเราก็ไม่ได้อยากจะไปกับเขา ไม่ได้ว่าการไปเดินกระบวนไม่ดีหรืออะไรไม่ดีแต่เรามันเรียว่ามันเรื่องไร้าสาระเสียเวลาเปล่าๆสู้มาทำใจให้สงบดีกว่าได้ประโยชน์มากกว่าถาว่ามาครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟซบุ๊กพระจางสุชาติภิชาโตนะครับคำถามจากคุณเพชร น, นะครับ บางครั้งเกิดท้อแท้อ่อนแอขอโอกาสพระอาจารย์เมตตาชี้ทางพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าเวลาเราเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายก็ให้เราลึกถึงครูบาอาจารย์และลึกถึงการปฏิบัติของท่านว่าท่านก็เป็นเหมือนเรามาก่อนเวลาปฏิบัติท่านก็ย่อมมีความท้อแท้เบื่อหน่ายเหมือนกันแต่ที่ท่านบนรรลุได้ก็เพราะว่าท่านไม่ยอมแพ้ ท่านก็พยายามปฏิบัติของท่านต่อไปวันไหนยากก็ทําก็ทําน้อยหน่อยก็ได้วันไหนง่ายก็ทํามากอ ย, อย่าอย่าถึงกับยกเลิกไปก็แล้วกันถ้าวันไหนทําไม่ไหวจริงๆก็พักทุกหน่อยพอมีกําลังใจที่จะทําก็ทําต่อเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายนี่มันเป็นอารมณ์ อย่าไปให้มันเป็นตัวที่จะทำให้เร า, าหยุดการปฏิบัติอย่างถาวรก็แล้วกันทามากทาน้อยก็เหมือนกับการเดินทางช่วงขึ้นเขามันก็เหนื่อยหน่อยยากหน่อย ช, ช่วงลงเขามันก็ง่ายหน่อยสบายหน่อยดังาั้นก็ต้องใช้ความอดทนพยายามทำไปบางช่วงก็จะยากลำบากจะช้าหน่อย เดี๋ยวบางช่วงมันก็ง่ายมันก็ไวก็ทำไปก็แล้วกันอย่างที่พูดว่าให้เป็นเหมือนเต่าอย่าไปเหมือนกระต่าย <Yeah. S 1> เต่ามันก็คานลงมันไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนไม่เหมือนกับกระต่ายที่จะทำตามอารมณ์ช่วงไหนมีอารมณ์จะทาก็ทาอย่างเต็มที่พอช่วงไหนเบื่อไม่อยากจะทำก็เลิกทำไปเลย ถ้าอย่างนี้แล้วก็มันก็จะไปไม่ถึงไหนขอให้คิดว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าพระอรันตาสาวกท่านก็เป็นเหมือนเรามาก่อนท่านก็มีกิเลสมีตัณหาอมีอะไรเหมือนกันทุกอย่างท่านก็ต้องต่อสู้กับกิเลสตัณหาของท่านต่อสู้กับทุกยากลำบากอุปสรรคต่างๆนาะนาะแต่ถ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติที่จะ สู้ที่จะแก้ปัญหามันก็แก้ได้สู้ได้แล้วก็บรรลุได้ด้วยกันทุกคนคิดอย่างนี้แล้วก็ใจก็จะได้ไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหน่ายคำถามข้อต่อไปจากคุณโอภาสนะครับข้อที่หนึ่งนิพพานเป็นอนัตตาหรือไม่ข้อนี้ต้องผู้ถามต้องมาปฏิบัติเองจะดีกว่า เพราะว่าต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้ให้ผู้ปฏิบัติมาปฏิบัติเอาอยากจะเล่าว่าโลกพระจัน์มีมนุษย์อยู่หรือไม่ก็ลองขึ้นไปดูอะไรข้อที่สองนิพพานสูงหรือไม่ก็แบบเดียวกันนั่นแหละข้อที่สามพระอรหันต์มรณะเข้าสู่นิพพานแล้วมีการสื่อสารกันหรือไม่ ก็ต้องไปเป็นพระอรหันก่อนนข้อที่สี่มีวิธีใดเป็นพิเศษในการขจัดลัคะให้ได้ผลก็วิธีเดียวก็คือต้องเจรณาสุภะกรรมฐานต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายอย่าไปมองแต่ส่วนที่สวยงามส่วนที่ไม่สวยงามนี่มันถูกปกปิดห่้มห่อด้วยหนัง เราต้องพยายามมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังต้องมองให้เห็นอาการสามสิบสองของร่างกายเราเห็นเพียงแต่ห้าอาการคือผมขนเล็บฟันหนังแต่เราไม่เห็นของที่อยู่ใต้ผิวหนังเช่นเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้เล็ก อ, อาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศรีรษะอย่างนี้ ไม่เห็นกันเราต้องพยายามศึกษาให้มองให้เห็นอาการเหล่านี้ถ้าเห็นแล้วมันก็จะกำจัดรากะปัญหาได้ข้อที่ห้าการทำสมาธิเมื่อตั้งมั่นดีแล้วควรปฏิบัติอย่างไรต่อเวลาที่จิตสงบอยู่ในสมาธิไม่ต้องทำอะไรให้จิตสงบให้ให้ไปนานเท่าที่จะ นานได้ปล่อยให้จิตออกมาเองจากสมาธิอย่าไปทำอะไรกับสมาธิเพราะสมาธินี้จะเป็นพลังเป็นกำลังที่จะสนับสนุนในการมาต่อสู้กับตันหาความอยากเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วเวลาเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้เป็นอนิจจังทุกขังวนตตา ก็จะละความอยากได้ถ้าออกจากสมาธิแล้วถ้าไม่มีตัณหาความอยากก็ให้พิจารณาถึงเรื่องที่จะทําให้เกิดความอยากต่อไปได้ในอนาคตเช่นพิจารณาเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายให้เห็นว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีทางใดที่จะเป็นเป็นไปอย่างอื่นได้ต้องต้องเป็นทางนี้เพียงทางเดียว แล้วก็ถ้าไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์ไปเปล่าๆก็ต้องสอนใจให้พยายามหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้ได้พอเวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็จะได้ทำใจได้หยุดความอยากได้ถ้าไม่เตรียมตัวไว้ก่อนไม่ซ้อมพิจารณาไว้ก่อนพอเวลาไปหาหมอหมอบอกเอ๊ะคุณมีมะเร็งเนี่ยเวลานั้นก็จะ จะรู้ว่าตัวเองทำใจได้หรือไม่ได้ถ้าพิจารณาไว้ล่วงหน้าก่อนว่าเราต้องโดนแน่ๆไม่โดนโลกใดกต้องโลกหนึ่งพอเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วพอไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นเป็นก็เป็นแล้วจะทำไงก็ต้องถามหมอแล้วจะทำไงหมอก็บอกต้องรักษารักษาก็มีสองทางรักษาหายก็ไม่หายไม่หายก็ตาย ถ้าเราพิจารณาว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ในที่สุดนครั้งแรกอาจจะรักษาหายเดี๋ยวครั้งที่สองมันเป็นขึ้นมาอีกหายอีกเดี๋ยวครั้งที่สามมันก็มีตามมาเรื่อยๆในที่สุดมันก็ต้องเจอแบบที่รักษาไงก็ไม่หายมีตาตายอย่างเดียวตอนนั้นก็ทําใจได้หรือเปล่าถ้าเราซ้อมไว้ก่อนเราก็จะหามใจได้นี่หมายถึงมีสมาธิแล้วออกจากสมาธิมาแล้วก็มาซ้อมมา มาสอนใจมาซ้อมให้เตรียมขึ้นเวทีเหมือนกันนักมวยที่รู้ว่าจะต้องขึ้นไปชิงแชมป์จะต้องมีคนก็มาชิงแชมป์ตำแหน่งของเราเราเราอยากจะรักษาแชมป์ไว้เราก็ต้องซ้อมไว้อยู่เรื่อยแชมของเราก็คือความสงบนี่แต่รักษาความสงบเพียงอย่างเดียวจะไม่รักษาอะไรร่างกายจะแก่จะจิตจะตายก็ปล่อยมันไปทาไม่ได้รักษาเท่าที่จะรักษาได้ แต่เมื่อรักษาไม่ได้ก็จะไม่ไปวุ่นวายกับมันจะรักษาความสงบไว้คำถามข้อต่อไปจากคุณวราพรนะครับนั่งสมาธิแล้วง่วงนอนควรทำอย่างไรลุกขึ้นมาเดินก็ได้ถ้าเดินแล้วยังง่วงท่านก็บอกไว้ให้เอาน้ำมาลูบหน้าลูบหน้าแล้วยังง่วงให้เดินถอยหลังถ้ายังง่วงอกีกก็ต้องหาวิธีอื่นเช่นอดอาหาร หรือไปนั่งสมาธิในที่เปลี่ยวที่น่ากลัวเช่นไปนั่งอยู่ในป่าช้าอย่างนี้ก็จะแก้ปัญหาเรื่องของความห่วงได้คำถามข้อต่อไปจากคุณมิกแม็กนะครับถ้าเราได้ปฐมมยาแล้วภายหลังไม่ค่อยได้นั่งสมาธิจะมีวันเสื่อมไหมแต่เรายังรักษาสีลห้าบริสุทธ mm ิ hmm. ์ตลอดชีวิตเคารพพระรัตน์ตายยอมรับความตาย หวังนิพพานเป็นที่ไปถ้าไม่ปฏิบัติมันก็เสื่อมได้สมาธิถ้าได้แล้วถ้าไม่รักษาเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปคำถามข้อต่อไปจากคุณผืนฟ้านะครับการฝันเห็นคุณพ่อที่ล่วงลับไปสิบกว่าปีแล้วแสดงว่าท่านยังไม่ได้ไปเกิดหรือเปล่าครับไม่เกี่ยวหรอกการฝันนี่บางทีมันก็เป็นความคิดของเราเอง เราคิดถึงท่านเวลานอนหลับจิตเราก็ปรุงแต่งคิดถึงท่านถ้าเป็นเรื่องถ้าเป็นวิญญาณของท่านมาหาเราก็ต้องคุยกันได้เหมือนกับเราคุยกันตอนนี้ถามไถ่าสารทุกข์สุขดิบได้ว่าพ่อตายไปนานแล้วพ่อไปทําอะไรมาบ้างออาจริงจริงเี่ยคุณแม่แก้วแม่ชีแก้วเนี่ยเวลาแกนแ่นั่งสมาธิแกจะมีดวงวิญญาที่ตายไปแล้วจะมาคุยกับท่านมาเล่าเรื่องว่าเมื่อคืนนี้ถูกเขาฆ่าตายเป็นควายอย่างเง ถูกเจ้าของค่าตายพอาดือ้พอพรไปทําไม่ทําตามคําสั่งเ น, นี่ยอันางเงี้ยถึงจะเป็นของจริงฮแต่ถ้านอนหลับฝันไปนี่มันเป็นเรื่องความคิดปรุงแต่งของเรามากกว่าดังั้นไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะไปเกิดแล้วไม่ไปเกิดอยู่ที่เราว่าเราจะไปเกิดแล้วไม่ไปเกิดน่าจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่าะคําถามข้อต่อไปจากคุณสเตฟานี่นะครับ เวลาสวดมนต์จะเห็นใจที่เผลอคิดรู้เรื่องที่ใจคิดและก็มารู้ตามว่าเผลอไปคือหลุดจากความคิดมาสวดมนต์ต่อ mm hmm. และบางทีรู้ทั้งสองอย่างพร้อมๆกันคือรู้ทั้งใจที่คิดไปเองและกายสวดไปตามหนังสือเห็นทั้งคู่พร้อมๆกันเวลาเผลอคิดก็จะรู้สึกไม่ชอบที่เผลออีกแล้วทั้งๆที่ ตั้งใจว่าจะไม่ให้เผลอพระอาจารย์มีวิธีแนะนำไหมคะให้ใจจด จ, อจ<น>่อกับการสวดมนต์จนก็พยายามจดจ่อไปเรื่อยๆสวดมนต์ไปเรื่อยๆในเบื้องต้นก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าเราไม่มีกำลังพอที่จะสกัดความคิดไม่ให้เข้ามาแทรกเข้ามาได้แต่ถ้าเราจดจ่อไปเรื่อยๆกาลังของเราจะมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วกาลังของความคิดต่างๆก็จะอ่อนน้อย น้อยลงไปแล้วก็จะไม่เข้ามาแทรกในที่สุดคำถามข้อต่อไปจากคุณบิมนะครับมานะกับอัตราแตกต่างกันอย่างไรอัตราละได้ด้วยการเห็นอุปทานขันห้าว่าไม่เที่ยงเป็นไตลักใช่หรือไม่ส่วนมานะจะละได้ด้วยวิธีเดียวกันหรือไม่คืออัตราก็แปลว่าตัวตน บางทีเราไปกําหนดสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นตัวตนของเป็นตัวเราของเราเช่นร่างกายเนี่ยเราก็ไปกําหนดว่าเป็นตัวเราอันนี้ก็เรียกว่าอัตตาส่วนมานะนี่เป็นการถือตัวอเป็นความรู้สึกที่มีอยู่ภายในจิตของเราเราถือว่าเราสูงกว่าเขาบ้างเท่าเขาบ้างหรือต่ํากว่าเขาบ้างอย่างนี้เรียกว่ามานะ มันก็คล้ายๆกันแล้วมันก็มีความแตกต่างกันมานะนี้ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้เช่นพระนาคามีนี่ท่านไม่ติดกับร่างกายแล้วท่านละเรื่องของร่างกายได้หมดแล้วไม้ว่าจะเป็นเรื่องอัตตาตัวตนแต่ท่านยังมีมานะอยู่ในจิตท่านยังถือว่าท่านสูงกว่าคนนั้นต่ากว่าคนนี้เท่ากับคนนั้นอยู่อันนี้เป็นการถือตัว อันนั้นเป็นการหลงคิดว่าสิ่งนั้นเป็นเป็นตัวเราของเราต่างกันอย่างนี้ตัวตนนี้ละตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันละคือละส ก, กายาัทิฏฐิความเห็นว่าขันห้านี้เป็นตัวเราของเราความจริงมันเป็นเพียงสภาวะธรรมเหมือนกับฝนตกแดดออกเราไป สั่งเราไปสัเราไปจับจองพระอาทิตย์ว่าเป็นของเราอย่างนี้อันนี้เรียกว่าสกายอาทิตย์เรามาจับจองร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเราความจริงมันก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟมามาจากอาหารที่เรารับประทานอาหารก็มาจากดินน้ำลมไฟเวลามันสลายไปมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราอังนี้เรียกว่า อัตตาส่วนมานะนี่ยังมันเป็นความรู้สึกอยู่ในจิตถึงแม้มีมีร่างกายมันก็ยังมีมานะได้ยังถือตัวได้คำถามข้อต่อไปจากคุณวินนะครับบางสายงานอาชีพอย่างหมอพยาบาลมีการฆ่าเชื้อโรคอย่างเช่นที่มือก่อนสัมผัสคนไข้หรือก่อนเริ่มงานและให้ยาปฏิชีวนะ เพื่อฆ่าเชื้อโรคแก่คนไข้หรือบางสายงานต้องมีการฆ่าเชื้อเพื่อให้เครื่องจักรอุปกรณ์ป่ะะาสจักเชื้อโรค <c oughs> <c oughs> อย่างนี้เป็นบาปติดตัวบ้างไหมครับไม่หรอกเพราะเชื้อโรค ก, ก็เป็นเหมือนต้นไม้ใบญ้าต้นไม้ต้นย่านี่เองเป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณไม่มีตัวรับรู้เหมือนกับตัดต้นไม้นี้ไม่ได้ฆ่าต้นไม้หรอือ เพียงแต่ว่าสมัยโบราณเขาเชื่อว่าต้นไม้มีชีวิตเหมือนมนุษย์มีมีมีมมดวงวิญญาณเหมือนมนุษย์ยนักบวชจึงไม่ควรที่จะไปตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้พระพุทธเจ้าเลยต้องห้ามพระไม่ให้ไปตัดต้นไม้ถ้าต้องการจะตัดต้นไม้หรือพากของเขียวเช่นถอนยอถอนยองถอนหญ้า น, นี้ต้องให้คารวะญาติโยมทาให้แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นการเป็นปานาติบาตไม่ได้เป็นการฆ่า สิ่งที่สิ่งที่เป็นมีชีวิตอย่างที่เราเข้าใจกันก็คือต้องมีทั้งสองส่วนมีร่างกายและมีจิตใจในพวกนี้ก็จะมีแต่เพียงร่างกายเขาไม่มีจิตใจพวกเชื้อโลกต่างๆนี้มีร่างกายเหมือนกับต้นไม้ที่มีร่างกายแต่ไม่มีนามมารมก็ไม่บาปเฉะนั้นไม่ต้องกลัวรักษาได้นะถือศีลแปด เป็นนักบวชก็หมอให้ยาปฏิชีวนะมากิน ก, ก็กินไปเถอะโรคมันจะได้หายคำถามข้อต่อไปจากคุณกันนิกานะครับ <c oughs> กรณีมีการพูดจาแล้วทำให้สังคมในที่ทำงานแตกแยกโดยไม่ทราบเลยว่าสิ่งที่ได้ยินมานั้นผิดหรือถูกและไม่ได้ไปสอบถามคนที่ถูกกล่าวหา <c oughs> พอฟังเสร็จ ก็ตัดสินใจจากคนที่เล่าให้ฟังและมีการกระทาแบบนักเลงใส่คนที่ถูกกล่าวหาขอสอบถามว่ากรรมหรือสิ่งที่คนกลุ่มนั้นจะได้รับคืออะไร้็ทำบาปมันก็ต้องได้รับผลของบาปนะั่นแหละจะรับมากน้อยอย่างไรนี่ก็ต้องต้องให้มันเกิดขึ้นเองสันติโก จะให้เรามาเป็นคนตัดสินทุกอย่างเลยแตว่าทำพูดอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนู้นอย่างนี้ขึ้นมาเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกเรื่องของกรรมมันเรื่องของอาจินตายมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะมาคาดการณ์ว่ามันทำอย่างนี้แล้วจะต้องเกิดอย่างนี้ตามมาเพราะว่ามันมีหลายกรรมหลายเรื่องมันปนเปย์ผสมกันดังนขอให้เรา รู้ภาพรวมก็แล้วกันว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้ก็พอละครับคำถามข้อต่อไปนะครับาจากคุณสิรินาทนะครับเป็นภาษ า, ษากฤษมานะครับแปลได้ว่าบ้านของเขาเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยโดนปลวกกินมากทั้งบันไดทั้งชั้นสองเนี่ยครับแต่ว่าเขาไม่ต้องการจะทํากรรมกับปลวกโดยการกบจัดปลวกมีวิธีไหนบ้างครับ ที่แต่งกำจัดปวกได้คร no ับก็ให้มันกินบ้านมันหมดพอไม่มีบ้านให้มันกินมันก็ไปเองนรีพัฒน์ตามตอบแล้วใช่ไหมครับคือมีวิธีพิกแพงไงบ้างครับที่ให้แม่ให้แมเขาป่าบ้างครับก็ต้องรักษาบ้านเราด้วยครับอาจารย์ คือก็มีไงก็มีคนอื่นที่เขาอาสาจะทำบาป ก, ก็ปล่อยก็ทำไปเราไปเปิดหนังสือพิมพ์ดูสิเขามีเขียนโฆษณาว่าที่นี่รับกําจัดปลวกเราก็โทรไปถามเขาว่านี่คุณกํารับกําจัดปลวกเหรอครับผมครับผมที่บ้านเรามีปลวกไม่รู้จะทํายังไงดีไม่เป็นไรครับผมจะมาจัดการให้อะก็จบละ แ, <ข> แ, แต่อย่าพูดว่าให้มาค้าใช่เราอย่า <ทำ S 1> ไปสั่งเขาอย่าไปบอกเขา ถ้าเขาอาสาเขาอยากจะทําของเขามันเป็นอาชีพของเขาอ่่ะีเราไม่เราไม่ไปพูดเขาก็ทําของเขาอยู่อยู่ดีอยู่แล้วก็อย่างนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งอย่างของพระบางทีทําไม่ได้ก็ต้องบอกโยมเช่นต้นมงวงต้นไม้ต้นหญ้ามันลกอย่างเงี้ยจะไปสั่งว่าไอ้โยมช่วยมาถางาหญ้าหน่อยก็ไม่ได้ก็พูดพระแบมันรกเหลือเกินเนี่ยย่อมหญ่ปาปลาลบเขาเรียกว่าบอกบุญหรือบอกกุศโลบายไป ท่านยอมฉลาดก็รู้เองว่า อ, อ๋อต้องถางย่าให้พระแล้วถ้าถ้าโยอมง่อยอ ง, ง้อก็ทำไปไม่รู้ไม่ชี้เลยครับคำถามข้อต่อไปจากคุณตันนะครับข้อที่หนึ่งนะครับในการนั่งสมาธิหากเวลาไหนที่จิตฟุ้งมากผมใช้การบริกรรมพุทธโธรเร็วๆหากเวลาไหนไม่ฟุ้งมากจะใช้การดูลมหายใจ ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่หรือควรเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งก็วิธีใดที่ทำให้ใจสงบก็วิธีนั้นนะ่ะถูกต้องข้อที่สองนะครับในกรณีที่ฟุ้งมากๆผมจะพูดโทรเร็วๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกเหนื่อยและไม่ค่อยสงบคือวันไหนที่ฟุ้งมากๆแล้วจะไม่สงบ แล้วกลายเป็นว่าวันนั้นไม่อยากนั่งต่ออย่างนี้ควรแก้ไขอย่างไรบางทีมันก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องไม่ก็ต้องเลิกนั่งไปก่อนเพราะบางทีมันก็เกินกําลังที่เราจะทําอะไรได้นอกจากว่าเราลองสวดมนต์ไปแทนก็ได้สวดมนต์ไม่ได้ก็ลองเปิดเทศธรรมะฟังไปก็ได้หรือเปิดหนังสือธรรมะอ่านก็ได้ถ้ามีเหตการต่างๆเหล่าี้ยังหยุดมันไม่ได้ก็ ก็ก็พักไปก่อนอย่าเพิ่งไปทําก็แล้วกันเพราะว่าต้องยอมรับว่าบางทีมันก็จิตมันอยู่ในช่วงที่มันดื้อมากหรือมันมีเรื่องผูกพันมากแล้วก็มีวิธีหนึ่งก็ใช้ปัญญาเข้าไปแก้อันนี้ถ้าใช้เป็นก็จะแก้ได้เช่นจิตกําลังฟุ้งกับเรื่องอะไรกําลังฟุ้งเรื่องแฟนแฟนจะทิ้งแฟนจะหนีแฟนจะไปมีแฟนใหม่เราอยากจะให้แฟนไม่ไปอย่างนี้ก็ต้องใช้ธรรมะมาพิจรารณาใช้ปัญญาว่า แล้วแฟนเราเป็นอะไรเป็นอนิจจังหรือเป็นนิจจังแฟนเราเขาเที่ยงแท้แน่นอนหรือเปล่าหรือเขาก็เปลี่ยนได้เขาเป็นแฟนเราได้เขาเลิกเป็นแฟนเราก็ได้แล้วเขาเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตาเราสั่งเขาได้หรือเปล่าสั่งให้เขาไม่ไปได้หรือเปล่าสั่งให้เขาอยู่กับเราได้หรือเปล่าแล้วเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแล้วถ้าเราอยากให้เขาไม่ไปเราก็จะทุกข์ไปเพระเปล่า พรยังไงเขาก็จะไปอยู่ดีถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วเห็นความจริงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ฟุ้งอยู่นี้เพราะไม่อยากให้เขาไปแต่ไม่อยากยังไงเขาก็จะไปอยู่ดีถ้าไม่อยากจะฟุ้งก็ให้เขาไปเลยพอย่อให้เขาไปมันก็สงบเรื่องมันก็จบนี่เขาเรียกปัญญาอบรมสมาธิต้องรู้จักคิดเป็นคิดคิดในแนวของตายรักให้ให้เป็น คิดว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงรักกันวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็โกรธกันได้เบื่อกันได้เกลียดกันได้อยู่ด้วยกันวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะไปคนคนละทางได้เวลาเกิดขึ้นจะไปห้ามเขาก็ห้ามไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตาข้อที่สามนะครับตอนนี้ผมไม่ดูทีวีหรือฟังเพลงตามที่พระอาจารย์แนะนํา แต่บางทีมันก็ไปได้ยินเพลงตามสถานที่ต่างๆทำให้เพลงนั้นวนเวียนอยู่ในหัวอย่างไม่ตั้งใจซึ่งผมพยายามที่จะหยุดความคิดนั้นแต่ทำได้ยากอย่างนี้มีวิธีแก้ไขไหม <S <S ก็ลองเพลงอื่นเข้ามาแทนอย่าเช่นท่องพุโทโธไปในใจพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปมันก็จะลบล้างเพลงที่มันอยู่ในใจของเราได้ คำถามก็ต่อไปจากคุณเกียรตนะครับข้อที่หนึ่งเวลานั่งสมาธิพอจิตเริ่มสงบมักมีอาการสะบัดมือเหมือนกระตุกหรือกล้ามเนื้อกระตุกทำให้หลุดออกจากสมาธิอาการนี้ขัดขวางไม่ให้สมาธินิ่งต่อเนื่องไม่สงบลึกเพราะอาการสะบัดจะคอยรบกวน ควรจะแก้ไขหรือทําอย่างไรก็อย่าไปสนใจมันมันจะสะบัดหรือจะเป็นอะไรก็ให้เราอยู่กับการภาวนาของเราถ้าเราอยู่กับพุโทโธก็พุโทโธของเราไปดูลมก็ดูลมไปอย่าไปสนใจแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปข้อที่สองนะครับหากเรานั่งสมาธิอยู่กับคําบริกรรมแล้วเห็นสังขารปรุงแต่งจิตคิดจึงกําหนดรู้ว่าคิด แล้วก็พูดโทรต่อไปสักพักเห็นความคิดเกิดขึ้นอีกก็กําหนดรู้ว่าคิดความคิดก็หยุดไปบริกรรมพูดโทรต่อพอครั้งที่สเห็นความคิดกำลังจะเกิดแล้วก็ดับพืบลปงไปแบบวูบรุนแรงเหมือนหลอดไฟที่กำลังจะสว่างกำลังจะจ้าแล้วดับพืึบร ง, งทันทีขอกับเรียนถามว่าการเห็นการเกิดดับของสังขารปรุงแต่ง แบบนี้สามารถดับกิเลสในจิตลงได้หรือไม่แล้วถ้าต้องการให้กิเลสตายจากการเห็นการเกิดดับแบบนี้ต้องทำอย่างไรก็ในอาการมีสติก็จะทำให้กิเลสมันดับได้แต่มันเป็นการดับชั่วคราวพอไม่มีสติปั๊บมันกิเลสก็จะย้อนกลับคืนขึ้ น, นมาอีกถ้าอยากจะให้กิเลสตายอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญา ต้องเห็นใจรักเท่านั้นถึงจะดับกิเลสได้อย่างถาวรต้องพิจารณาใจรักในสิ่งที่กิเลสอยากได้เช <c oughs> ่นอยากจะได้แฟนก็ต้องพิจารณาว่าสักวันนี้นก็อาจจะจากเราไปก็ได้พอรู้ว่าเขาจะต้องจากเราไปแล้วก็อาจจะเปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าไม่อยากอกขักอย่างนี้ข้อที่สามนะครับลูกพิจารณาร่างกายของตนโดยดูโครงสร้างของโครงกระดูก พยายามนึกถึงตัวเองเป็นโครงกระดูกเดินหรือทำนู่นทำนี่แบบมีเลือดเนื้อติดอยู่และโครงกระดูกแบบแห้งๆ แ, และในตอรังหน้าแปลงฟันขับถ่ายเห็นความหน้ารังเกียจหน้าเอื่มละอาความเป็นภาระของร่างกายหากร่างกายที่มีเชื้อโรคเช่นไข้หวัดน้ำมูกน้ำลายสเสเลดจะทรมารและอยากหลุดพ้นจากกายนี้มากแต่บางครั้ง ยังเผอ ม, มองคนอื่นว่ามีความสวยงามอยู่แต่จะรู้สึกตัวและกลับมาพิจารณาดูโครงสร้างกระดูกของเขาภายในพิจารณาทุกโทษภัยของกายลูกควรทำอย่างไรต่อไปหรือถอยลดระดับลงมาอี ก, กลูกลูกรู้ชัดในจิตตลอดว่าเชื้อชั่วที่ทำเชื้อชั่วที่จะทำให้มาเกิดมีร่างกายนี้ยังอยู่กับจิต มันเหมือนจะมีอาการคอยอย่อเย้ยหรือบอกเราได้ด้วยว่าเราฆ่ามันไม่ตายก็ต้องพิจารณาสุภาพไปเรื่อ ย, อยพิจารณาอาการ32พิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายที่เราไปหลงหลงยึดหลงติดหลงรักอยู่ให้ให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากจะได้ร่างกายนั้นไม่มีการอารมณ์เกิดขึ้นถ้ายังมีก็ต้องพิจารณาไปจนกว่ามันจะหมด ข้อที่สี่นะครับการกระทบกระเทือนของจิตเมื่อถูกร่วงเกินหากเรากระทบแล้วจิตของเรามันสลดสังเวชสังเวชการเกิดในโลกและการเบียดเบียนกันบางครั้งเห็นจิตสั่งสะเทือนจึงบริกรรมพุโทโธข่มไว้ให้มันหายสั่งสะเทือนแต่มันไม่หายลูกเห็นอาการของจิตชัดมากเห็นทุกข์ในจิตได้พยายามเดินอริยสัจส แต่เห็นว่าดับทุกข์ลงไม่ได้อาการของจิตสะเทือนเศร้าหมองยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นต้องรอเวลาสักพักเห็นอาการของจิตเคลื่อนไปเองเปลี่ยนไปเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อใดที่ดับทุกข์ไม่ได้จึงใช้อุบายรอการเคลื่อนของจิตเองท่านอาจารย์โปรดอธิบายขยายความการดับทุกข์ของจิตที่กระทบกระเทือนกับโลก จิตทุกข์พอจิตหลงเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาคืออยากจะให้สุขอยากจะให้ดีอยากจะให้เป็นไปตามความอยากของเราซึ่งมันไม่ตรงกับความจริงพอมันไปเจออนิจจังทุกขังอนตัตตาเข้าไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขขังอนตัตตามันก็จะไม่ไปหวังอะไรจากโลกนี้มันก็จะไม่ทุกข์กับโลกนี้ อะไรจะเกิดก็รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาปัญหาก็อยู่ตรงที่ไม่เห็นอนิจจังทุกข์ังทุกขังนัตตาในโลกนี้อย่างต่อเนื่องยังเห็นว่า็ น, นิจจังสุขขังอัตตาอยู่ยังอยากจะได้ความสุขจากโลกนี้อยากจะให้โลกนี้สวยงามอยากจะให้โลกนีอ้อยู่กันอย่างสงบไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องไม่มีราวซึ่งมันไม่ได้ตรงกับความเป็นจริง ความเป็นจริงโลกนี้มันจะต้องมีเรื่องวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาศึกษาประวัติศาสตร์มากี่พันปีที่ผ่านมามันก็มีเรื่องราวแบบนี้ซ้ํากันไปซ้ํากันมาอยู่อย่างนี้มีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาถ้าไม่เห็นความจริงอันนี้ก็จิตใจก็จะวุ่นวายกับโลกไปแต่ถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องปกติมีเจริญมีเสื่อมโลกกระทำแปดมีเจริญลาบเจริญยศ มีสรรเสริญมีสุขมันก็ต้องมีเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกแต่เวลาเกิดความเสื่อมใจมันจะไม่สบายใจเพราะมันไม่อยากให้เสื่อมมันก็เลยวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้ามันเห็นว่ามันเป็นธรรมดามันต้องเสื่อมมันก็จะเฉยได้นั่นต้องพิจารณาตาลักอยู่เรื่อยๆในทุกสิ่งทุกอย่างข้อที่ห้านะครับ อาการของจิตที่วูบลงจนปราศจากร่างกายร่างกายหายไปเหลือแต่รู้และความประหลาดใจแต่อยู่ได้ไม่นานความรู้สึกทางกายก็กลับมามการที่จิตจดจําอาการเหล่านี้ที่เราปฏิบัติควรใช้สัญญาความจําเหล่านี้ช่วยให้จิตไปวางก่อนตายหรือไม่เจ้าคะใช้สัญญาไม่ได้หรอกมันต้องใช้การปฏิบัติคือต้องผลิตมันขึ้นมาใหม่ วิธีที่ทำจิตให้วูบให้ปล่อยวางนั้นทำอย่างไรก็ต้องกลับมาทำอย่างนั้นอย่าไปยึดอารมณ์เดิมอย่าไปคิดถึงความสงบเดิมเพราะมันมการคิดมันไม่ได้เป็นความจริงมันเป็นสัญญาต้องให้มันเป็นความจริงตอนนั้นตอนที่เราทำให้มันวูบมันทำยังไงเราก็ตอนนี้เราก็ต้องทำมันขึ้นมาใหม่ถ้าเราพุโทโธพุโทโธแล้วจิตมันวูบเราก็กลับมาพุโทโธพุโทโธใหม่เดี๋ยวมันก็วูบลงไปเอง แต่ถ้ามานั่งคิดว่าเออมันวูบแล้วเราจะให้มันวูบแบบนั้ น, นมันไม่วูบหรอกเพราะมันไม่ใช่เป็นเหตุสัญญาความจำไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทำให้ความจริงปรากฏขึ้นมาความจริงที่ทำให้ปรากฏขึ้นมาก็คือสติการภาวนานี่ยันต้องพยายามภาวนาไปให้มันชำนาญจนกระทั่งสั่งมันได้ทุกเวลาต้องการให้มันวูบเมื่อไหร่ก็วูบได้ พอเวลาตายก็สั่งให้มันรูปได้เลยข้อที่หกนะครับหากรูปมีเวลาอยู่คนเดียวจะสามารถฝึกสติและสมาธิได้ดีตามลำดับมีพิติมีความสุขมาเลี้ยงใจตลอด <c oughs> แต่ต้องใช้เวลาเก็บตัวในระยะสองปีมานี้ <c oughs> การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าด้วยเจริญสติสมาธิได้ตามข้อจำกัดและติดภาระทางโลกลูกน้อย และการงานทางโลกทั้งที่จิตใจเห็นแล้วว่าไม่คุ้มกับชีวิตทางโลกแต่ลูกมีความจำเป็นต้องรอเวลาอีกประมาณแปปีจึงจะหันหลังให้โลกอย่างถาวรขอบารมีท่านอาจารย์ช่วยลูกด้วยลูกขอพ้นทุก์ตามแบบอย่างพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยะสงฆ์จึงขอถวายชีวิตต่อพระรัตนาตายขอตัดขาดผูกขาดจองขาดต่อพระ ตอพระรัตนาตายเพียงสิ่งเดียวขอตั้งเข็มให้ตรงดิ่งสู่การสิ้นทุกในปัจจุบันชาติตั้งเข็มแต่ไม่ปฏิบัติมันก็ตั้งไปเปล่าๆพรแปด ป, ปีนี่มันใครจะไปรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำไมไม่ทำตั้งแต่วันนี้ขณะที่เราทำได้เราก็อ้างเหตุดัา น, นเหตุนีค้ความจริงไม่มีเหตุอัใดที่จะหยุดยั้งการปฏิบัติของเราได้หรอกถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆแต่ ใจเรามันยังด้อยด้วยปัญญายังมองไม่เห็นอนิจจังทุกครั้งในสิ่งที่เราติดอยู่เราก็เลยยังถูกมันหลอกให้เราต้องอยู่กับมันไปก่อนแต่ถ้าเราคิดว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้สําหรับเราเราถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็อาจจะคิดว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้มันไม่สําคัญเสียแล้ว ว่าถ้าเกิดเราต้องตายไปในพรุ่งวันนี้หรือพรุ่งนี้สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะมันจะมีความสําคัญอะไรกับเราแต่สิ่งที่สําคัญกับเราก็คือเวลาที่เราจะได้จากการปฏิบัตินี้เรามีตอนนี้แต่เรากลับโยนทิ้งไปเอาเวลาไปใช้กับสิ่งอื่นๆที่มันไม่ใช่เป็นประโยชน์กับเราทําไมไม่คิดอย่างนี้บ้าง ทำไมไม่คิดว่าสมมติเราตายไปในวันนี้คนอื่นที่เขาต้องพึ่งเรานี้ก็อยู่ได้ไหมเอ่มั้ยนะทำไมพระพุทธเจ้าท่านออกออกจากพระราชวังได้ทำไมเราจะอ อ, ออกไปปฏิบัติไม่ได้ก็เหมือนกันอะต่างกันตรงที่พระเจ้าท่านฉลาดกว่าเราท่านไม่ง่เหมือนเราหมดแล้วใช่ไหม คำสาวหมดแล้วครับพระอาจารย์ครับส่วนใหญ่จะเห็นผู้ปฏิบัติครับพระอาจารย์หรือผู้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ตามบางทีมีเรื่องที่ทําให้เกิดโทสะเนี่ยมักจะแสดงอาการโกรธออกไปก่อนแล้วค่อยมาตามตามตา ม, ตามรู้ทีหลังครับพระอาจารย์โดยที่ไม่ยอมระ ง, งับตั้งแต่ต้นครับพระอาจารย์เพราะว่าความโทสะของเราเกิดจากความอยากของเราไงเราอยากให้เขาทําตามที่เราต้องการพอเขาไม่ทําตามที่เราต้องการเราก็เกิดความโกรธขึ้นมา ฉะ้นเราต้องพยายามทําใจให้เป็นกลางปล่อยวางใครจะทําอะไรก็เรื่องของเขาแล้วเวลาเขาทาอะไรเราก็จะได้ไม่เกิดความโกรธเราทําในส่วนของเราไปส่วนคนอื่นก็จะทําหรือไม่ทํามันก็เรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้ให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่โกรธใครแต่มันเผลอมันชอบไปเจ้ากี้เจ้า ก, การกับเรื่องของคนอื่นก็อยู่เรื่อยชอบให้ก็ทํางงทอย่างนั้นทําอย่างนี้ พอเขาไ่ทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปโกรธเขานั้นปัญหามันอยู่ที่เราอยู่ที่ความอยากของเราอยู่ที่ความหลงของเราที่ไม่รู้ว่าเราไปจําไปสั่งเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาให้รู้แค่ น, นี้สัพเพธรรมานั ต, ตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่ภายใต้อํานาจของเราที่เราจะไปจัดการให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปบางเวลาก็จัดการได้บางเวลาก็จัดการไม่ได้ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะโกรธไม่อยากจะเสียใจก็อย่าไปจัดการเอาธรรมะจัดสรรยินดีตามมีตามเกิดอย่างที่หลักที่พระเจ้าสอนให้ชาวพุทธเราจเจริญกันให้มากก็คือมักน้อยสันโดษมักน้อยก็คือเขาจะทำไงก็ได้เรียกว่าไม่ไม่หวังอะไรจากเขามากถ้าหวังมากก็จะทุกข์มากจะโกรธมากถ้าหวังน้อยก็จะทุกข์น้อย ถ้าสันโดษได้จะไม่ทุกข์เลยยินดีตามมีตามเกิดเขาจะทำไงก็ได้ทั้งนั้นจะชมเราก็ได้จะด่าเราก็ได้แค่นี้ก็จบเอาแล้วนะมีอะไรไหมทางนี้อาจารย์ว่าการที่ท่านอาจารย์บอกว่าการฉีดปีสารนี่เป็นต่้าไปท่านเนี่ยด คือเห็นโป่เยืยก่บนไม้อ่ะสามันเยอะมากแลฉีดมันตาเป็นกระบุกกระบุ็งก็บาปมกันก็ฆ่ามันแล้วก็ให้คนบาปใช้เวทธรรมก็ไปเกิดเป็นเป็นโปวงให้เขาฆาไงอ่าอ่ก็ทำไปแล้วจะไปลบล้างบาปไม่ได้ นอกจากไปเป็นผ้าล้วหันไม่กลับมาเกิดก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปลือกได้หรือเป็นผ้าโสดาบันก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วคือว่านี่ก็เวลาทาบุญทำทานก็ไม่พอต้องภาวนาต้องถึงขั้นะละสกายาทิฐิให้ได้ต้องถึงขั้นวิปัสนาละอัตตาตัวตนได้ก็จะไม่กลับมาเกิดมันเคยจะไม่ไม่ไปทําบาปอีกต่อไปแล้วก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายไปใช้บาปเก่าด้วย เันตอนนี้อย่าไปทาบาปให้คนอื่นก็ทํามีคนก็บริการเขายินดีจะทาก็ให้เขาทาไปตอต่ไม่แล้วให้เขาให้ีได้ี่อ น, นั้นปล่อยก็ทาไปไม่นน้ท้เราให้ไัง่า่าคน้ปก็ไม่ไ้ทเาให้ไดัง่ทมาแค้าอทไปแต่งไม่้ เ, เขาีไดังแต่ี่อยู่นั้นใแชบบ่ปล่อก็บาป แล้วก็แล้วไปอถือว่ามันเป็นบทเนี้ไม่เป็นไรองค์คุลิมานยังพิกยังกลับตัวได้เลยองค์คุลิมานก็ฆ้าฆ่าคนมาต้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนคอคนทำอะไรที่ตอนเด็กๆแล้วไม่รู้เรื่องบาปนะคะบาปเหมือนกัน อ, อแต่โทษมันเบากะทําด้วยเจตนาด้วยความตั้งใจด้วยความโกรธความเกเ น, นี่ย ดังนั้นก็คิดว่าสมควรกับเวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาทาที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดทีนนี้มีคนถามปัญหาเยอะอ ไม่ไม่อยากให้ชาเรอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะเอาซีดีมาให้อาจารย์ช่วงเช้าครับเพราะไม่อยากให้รออีกทิตนึงครับอาจารย์ใจไม่อยากจะไม่อยากจะให้ต้องวุ่นวานมากนะครับเดี๋ยวผมมองให้ตอนเช้าเลยครับอาจารย์อาจารย์ก็ได้นะอาจารเลยหออยากจะได้นะครับแต่นี้กองนเดี๋ยวไ่ควเพราะพรุ่งนี้ผมต้องไปพบกันคุย